สันธนะว่าด้วยการเทียบเทียงโดยข้ออุปมายีส่สิบแปดสกท่านยังรู้รูปได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดูดยังรู้เวทนาได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปรมัตต์ ดู R oo R oo o, ai, ดยังรู้รูปได้โดยสัจกัติปะธรรมะใช่ไหมปรใช่สอกอรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอท่านจงรับนิหะดังตอไปนี้หากท่านยัง R oo R oo, R oo ai, ยรู้รูปได้โดยสัจจคติปรมัตมะดุดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจคติปรมัตมดังนั้น ai, รูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกัน ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดุจยังรู้รูปได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้พาพเจ้ายอมรับว่าข้พาพเจ้ายังรู้รูปได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดังนั้นรูปกับเวทนาเป็นคนละอย่างกัน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 รูปกับเวทนาเป็นคนละอย่างกันเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติป aramat ดูดอย่างรู้รูปได้โดยสัจจคติปรมัต a t ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจจคติป aramat ดูอย่างรู้เวทนาได้โดยสัจจคติปรมัต a t ดังนั้นรูปกับเวทนาเป็นคนละอย่างกัน ข้าพเจ้ายังร wow. ah ู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตมะดูดยังรู้รูปได้โดยสัจกคติปรมัตมะแต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดยี่สิบเก้าท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจคติปรมัตมะดูดยังรู้สัญญาดูดยังรู้สังขารสกท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจคติปรมัตมะ ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตต์ดูดย LOVE ังรู้รูปได้โดยสัจกคติปรมัตต์ใช่ไหมปรใช่สกรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกท่านจงรับนิพขหะดังต่อไปนี้หากท่านย work uh, ัง <sinon>, รู้รูปได้โดยสัจจถตธปรม์ดุดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคปธรรมะดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตธรรมะดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจคตธรรมะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกัน ท่านกล่าวคําขัดแย้งได้ในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้ายังรู้รูปได้โดยสัจจิปัฏฐะ -paramat ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิปัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันเขาพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิปัฏฐะ -paramat ดูดยังรู้รูปได้โดยสัจจิปัฏฐะ p a r a m a แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกัน คำนั <departed. |mt|> ้นของท่านผิดอนหนึ blessing, Diego, ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดุดอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ดุดอย่างรู้รูปได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ท่านกล่าวความขัดแย้งได้ในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจประถาปรมัตต์ดูดอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจจคตถาปรมัตต์ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจประถาปรมัตต์ดูดอย่างรู้รูปได้โดยสัจประถาปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกัน คำนั้นของท่านผิดสามสิบสกท่านยังรู้เวทนาได้โดยสัจกคตะปรมัตต์ดูดย่างรู้สัญญาดูดย่างรู้สังขารดูดย่างรู้วิญญาณดูอย่างรู้รูปได้โดยสัจกคตะปรมัตต์สามสิบเอ็ดสกท่านยังรู้สัญญาได้โดยสัจกคตะปรมัตต์ดูดย่างรู้สังขารดูดย่างรู้วิญญาณดูดย่างรู้รูป ดูอยังรู้เวทนาได้โดยสัจกัตปรมัตต์สสิสองสกท่านยังรู้สังขารได้โดยสัจกัตปรมัติ์ดุดยังรู้วิญญาณดุดยังรู้รูปดูอยังรู้เวทนาดูดยังรู้สัญญาได้โดยสัจกัติปรมัตต์สาสิสกท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจกัตปรมัติ์ดุดยังรู้รูป ดู truth, ย ierung, beast, ดยังรู้เวทนาดูดยังรู้สัญญาสกท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดูดยังรู้สังขารได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคตะปรมัตต์ใช่ไหมปร ใช่สกวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิสขะะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้วิญญาณได้ดโดยสัจิกระถะปรมาทิตย์หรือยังรู้สังขารได้โดยสัจิกัะะปรมาทิตย์ดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจิกัะะปรมัิตย์ ดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้ายังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคติปรมัตต์ดูดยังรู้สังขารได้โดยสัจิคติปรมัตต์ดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกัน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 ดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตธรรมะดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคตธรรมะท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้วิญญาณได้โดยสัจกคตธรรมะดูดยังรู้สังขารได้โดยสัจกคตธรรมะดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกัน ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคตธปรมัตะดุดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจคตธปรมัตะแต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดสาสิบสี่อท่านยังรู้จักขายตนะได้โดยสัจจคตธปรมัตะดุดยังรู้โสตายตนะดุดยังรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจจคตธปรมัตะท่านยังรู้โสตายตนะ ยังรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจจถตปรมัติดูดยังรู้จักขายตนะดุดยังรู้มนายตนะได้โดยสัจจถตปรมัติสามสห้าสกท่านยังรู้จักขู่ธาตุได้โดยสัจจถตปรมัติดุดยังรู้โสตธาตุดุดยังรู้ธรรมธาตุได้โดยสัจจถตปรมัติท่านยังรู้โสตธาตุยังรู้ธรรมธาตุได้โดยสัจจถตปรมัติ ดุดยังรู้จากภูธาตดุดยังรู้มโนวิญญาณธาตุได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat สาสกสกท่านยังร uh, ู <harmony. S 3> งร e ้จากขุนศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุดยังรู้โสตินรีดุดยังรู้อัญญาตาวินรีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านยังรู้โสตินรียังรู้อัญญาตาวินรีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุดยังรู้จากขุนศีสก ท่านยังรู้ัญญาตา ว, วานินสีได้โดยสัจจ eh like คตธรรมะดูดย <ve> ังรู้อัญญินรียได้โดยสัจจคตธรรมะดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอัญญินรีย์จึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตธรรมะดูดยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจคตธรรมะใช่ไหมปรใช่สก อัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับเนื้อคลาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจกัตธรรมัติดุดยังรู้อัญญินรีได้โดยสัจกัตธรรมัติดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอัญญินรีจึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตรธรรมะ ดูดยางรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตถปรมัตดดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคล bon เป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตถปรมัตดดูย ah ar ar ดยังรู้อันญินรียได้โดยสัจจคตถปรมัตดดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอันญินรีย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 ข้าพเจ้ายังรู้ัญญาตาวินสีได้โดยสัจิกัตาปรมัตต์ดูดยังรู้อันญินสีได้โดยสัจิกัตาปรมัตต์ดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอันญินสีจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตตาปรมัตต์ดจดยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจิกัตปรมัตต์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ดุจย่างรู้อันญญีศีได้โดยสัจกัติปรมัตต์ดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอันญญีศีจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ดุจย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตถปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 37มสิบปรท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัทะประมัตดดุดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัทะประมัตดดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัทะประมัตดใช่ไหมสกใช่ ปอรอรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านอย่างรู้รูปได้โดยสัจฉิกัถาปรามัตต์ดุดอย่างรู้เวทนาได้โดยสัจฉิกัถาปรามัตต์ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านอย่างรู้รูปได้ด้วยสัจจิปัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวความขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้ด้วยสัจิกัฏฐะ p a r a m a ดดจดยังรู้เวทนาได้ด้วยสัจิกัฏฐะ p a r a m a ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคต ร, รัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื่อกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจัคตธรรมะท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจจคตธประมะดูดอย่างรู้เวทนาได้โดยสัจจคตธปรม์ ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อคุณตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้รูปได้โดยสัจจีกัทะประมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดสาสิบแปดปรท่านอย่างรู้รูปได้ด้วยสัจจีกัทะประมัตต์ดุดอย่างรู้สัญญา ดูดยังรู้สังขารดูดยังรู้วิญญาณได้โดยสัจกคติปรมะท์สาสิบเกปอโรท่านยังรู้เวทนาได้โดยสัจกคติปรมะท์ดูดยังรู้สัญญาดูดย่างรู้สังขารดูดยังรู้วิญญาณดูดยังรู้รูปได้โดยสัจจคตถปรมะท์สี่สิบท่านยังรู้สัญญาได้โดยสัจจคตถปรมะท์ดูดย่างรู้สังขาร ดูดยังรู้วิญญาณดูดยังรู้รูปดูดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจคติปะธรรมะ41ปอรรท่านยังรู้สังขารได้โดยส uh ัจกคติปรมัตมะดุดยังรู้วิญญาณดูดยังรู้รูปดูดยังรู้เวทนาดูดยังรู้สัญญาได้โดยสัจจัติปะธรรมะ42ปอรรท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจกคติปรมัตมะ ดุดยังรู้รูปดูดยังรู้เวทนาดุดยังรู้สัญญาดุดยังรู้สังขารได้โดยสัจจิปัฏถา -paramat สีสาปอรรท่านยังรู้จักขายตนะได้โดยสัจจิปัฏฐาปรมัต a t ดุดยังรู้โสตายตนะดูดยังรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจจิปัฏฐาปรมัต a t ท่านยังรู้โสตายตนะยังรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจจิกัฏถา -paramat ดูดยังรู้จากขายตนะดุดยังรู้มานายตนะได้โดยสัจิกถะปรมัตต์สี่สิบสี่ปรท่านยังรู้จากขู่าตได้โดยสัจจคตะปรมัตตดุดยังรู้โสตธาต์ดูดยังรู้ธรรมธาต์ได้โดยสัจิกถะปรมัตตท่านยังรู้โสตธาต์ได้โดยสัจิกถะปรมัตตยังรู้ธรรมธาต์ได้โดยสัจิกถะปรมัตตดุดยังรู้จากขูทาต ด, ด, LIN ดูดยังรู้มโนวิญญาณธาตุได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat สี่สิห้าปรท่านยังรู้จากขุนศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุดยังรู้โสตินศีดุดยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านย sì ังรู้โสตินศีท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุดยังรู้จากขุนศีสองก ท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตธรรมะดูดยังรู้ันญินรียได้โดยสัจจคตธปรมัตอัญญาตาวินศีกับันญินรียเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสอกอใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจคตธปรมัตะใช่ไหมสกใช่ ปรออัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจฉิกัฏฐะ -paramat ดูดยางรู้อัญญินรีได้โดยสัจฉิกัฏฐะ -paramat ดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอัญญินรียจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านอย่างรู้ัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละ อ, อย่างกันท่านกล่าวควาขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดุจอย่างรู้อันยินศีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดังนั้น ัญญาตาวินศีกับอัญญีศีจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อหุนตนเองมีอยู่และข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัฏฐปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกัน ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดูดยางรู้อันยินสีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอันยินสีจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และวข้าพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัฏฐะ -paramat ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิคตะประมัตต์ดูดอย่างรู้อันยินสีได้โดยสัจฉิคตะประมัตต์ดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอัญยินสีจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคุณตนเองมีอยู่และเขาพเจ้าอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้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 ตกนยะสังสันตนะว่าด้วยการเทียบเคียงโดยในสี่ประการ 46. สี่สิบหกสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปะธรรมะใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปะธรรมะ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตตแต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคลคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัต <c oughs> ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตตแต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคํานั้นของท่านผิด47สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจัติปรมัตตใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลอาศัยรูปบุคคลเป็นอื่นจากรูป รูปอาศัยบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคต ธ, ธปรมะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าเขาพระเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจกัตธรรมะแต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคล คำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปรมัตถ์ท oh ่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด48สก ท่านยางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมะใช่ไหมปรใช่สกเวทนาเป็นบุคคลบุคคลอาศัยเวทนาบุคคลเป็นอื่นจากเวทนาเวทนาอาศัยบุคคลสัญญาเป็นบุคคลบุคคลอาศัยสัญญาบุคคลเป็นอื่นจากสัญญาสัญญาอาศัยบุคคลสังขารเป็นบุคคลบุคคลอาศัยสังขารบุคคลเป็นอื่นจากสังขาร สังขารอาศัยบุคคลวิญญาณเป็นบุคคลบุคคลอาศัยวิญญาณบุคคลเป็นอื่นจากวิญญาณวิญญาณอาศัยบุคคลใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับเนื้อหาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจะขัตตปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปะรมัตดแต่ไม่ยอมรับว่าวิญ ญ, ญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญ ญ, ญาณอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจ ก, กคติปะรมัตดท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด49สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตต์ใช่ไหมปรใช่สกจากขายตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขายตนะบุคคลเป็นอื่นจากจากขายตนะจากขายตนะอาศัยบุคคล ธรรมายตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมายตนะบุคคลเป็นอื่นจากธรร ม, มายตนะธรร ม, มายตนะอาศัยบุคคลจากขุท่านเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขุท่านบุคคลเป็นเอิญจากจากขุท่านจากขุท่านอาศัยบุคคลธัมมธาตุเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธัมมธาตุบุคลบคลเป็นอื่นจากธัมมธาตุธัมมธาตุอาศัยบุคลบคล จากขุนศีเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขุนศรีบุคคลเป็นอื่นจาก Lol. จากขุนศรีจากขุนศีอาศัยบุคคลอัญญาตาวินศรีเป็นบุคคลบุคคลอาศัยอัญญาตาวินศรีบุคคลเป็นเอื่นจากอัญญาตาวินศรีอัญญาตาวินศรีอาศัยบุคคลใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิคขาดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกัตธรรมัดดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำาขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจกัตธรรมัดแต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคล ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรธรรมท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้าอยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรธรรมแต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดห้าสิบปรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคตถปรธรรมใช่ไหมสอกอ ใช่ปอรรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกคุณตนเองมีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปอรรรูปเป็นบุคคลใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลือกคุณตนเองมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า รูปเป็นบุคคลท่านกล่าวควาขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อนคุณตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคล ค, ปป ค, บคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลตนเองมีอยู่ ท่านกล่าวคำขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื่อคุณตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคำนั้นของท่านผิดห้าสิบเอ็ดปรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจิกตถปรามัติใช่ไหมสอกอใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 สังขารเป็นบุคคลบุคคลอาศัยสังขารบุคคลเป็นเอื่นจากสังขารสังขารอาศัยบุคคลวิญญาณเป็นบุคคลบุคคลอาศัยวิญญาณบุคคลเป็นอื่นจากวิญญาณวิญญาณอาศัยบุคคลใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเคื่อคูณตนเอมีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านกล่าวคํำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคลคลคํานั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเครือขูนตนเองมีอยู่ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเครือขูนตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าวิ ญ, ญญาณอาศัยบุคลคลคํานั้นของท่านผิดห้าสิบสองปอรรท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจคติรปรมัตใช่ไหม สกใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อกุลตนเองมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรจากขายาตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขายาตนะบุคคลเป็นอื่นจากจากขายาตนะจากขายาตนะอาศัยบุคคลธรรมายาตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมายาตนะ บุคคลเป็นอื่นจากธรรมายตนะธรรมายตนะอาศัยบุคคลจากขุท่าเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขุท่าบุคคลเป็นอื่นจากจากขุท่าจากขุท่าอาศัยบุคคลธรรมธาตุเป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมธาตุบุคคลเป็นอื่นจากธรรมธาตุธรรมธาตุอาศัยบุคคลจากขุนศีเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขุนศีบุคคลเป็นอื่นจากจากขุนศี จากขุนศีอาศัยบุคคลอัญญาตาวินศีเป็นบุคคลบุคคลอาศัยอัญญาตาวินศีบุคคลเป็นอื่นจากอัญญาตาวินศีอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลตนเองมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพระเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกลื่อกูลตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ท่านกล่าวคําขัดแย้งไดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินศีอาศัยบุคลคลคํานั้นของท่านผิดเจตุกะนยะสังสันธนะจก